แต่ก็บางอย่างถ้าเอาเสดาอมาแล้วนะเป็นเสดาที่จืดเท่าผักบุ้งเนี่เอาไหมเรือ <c oughs> จะไปซื้อทําอะไรนะซื้อผักบุ้งหมดเรื่องหมดเราต้องขมนิดนิดจริงกดีมันก็นี่แหล ะ, ละติดในรถเปรี้ยวรสหวานรสขมอันเปรอผู้กําหนัดยินดีด้วยตันหาในรถก็ไม่รู้สึกถึงความคิดในใจอันเกิดขึ้นในบนรรพชาว่าจะทําที่สุดแห่งทุกข์คือถ้ามวัวแต่เพลิดเพลินในรถเนี่ยนะติดในอร่อยเนี่ยคิดไหมว่าเอ้เนี่ยมันเราต้องการพ้นทุกข์แล้วเนี่ย แต่ว่ามันก็มาคิดถึงเรื่องอร่อยเพันก็เลยไม่พ้นไปจากทุกเนี่ยนะเพราะว่าเจออาหารอร่อยๆเข้าลืมปัจเวกลืมมหาเรปติกูลสัญญาลืมหมดเลยกินอิ่มไปไปสามชั่วโมงแล้วเพิ่งนึกได้โอ้ไม่ได้พิจารณาอะไรด้ว ย, ยงเี้ยนะไปที่กรุงเทพถามเมื่อกลางวันนี่ใครปัจเวกบ้างหมอยุพินยกมือขึ้นเนะเก่งมากในหมู่ที่ไม่ปัจเวกกับปัจเวกอยู่คนเดียวก็ยางนีนะ ผู้ใดมัวนึกถึงโพธิภาอันสวยงามไม่ปฏิกูลน่ยนะยินดีแล้วผู้นั้นได้ประสบทุกข์มีประการต่างๆอันมีราคาเป็นต้นเหตุคือนึกถึงโพธิภาพนะก็เป็นเหตุแห่งทุกในปัจจุบันและอนาคตผู้ใดไม่อาจรักษาใจจากธรรมะเหล่านั้นใจจากธรรมะนะใจก่อนธรรมะก็คือวิตกะเกิดร่วมกับใจอันนั้นใช่ใจเนี่ยเกิดร่วมกับอะไร เกิดเรื่องกับวิตกทีนี้เพราะการไม่รักษาใจนั้นทุกจากอารมณ์ทั้งห้านั้นย่อมติดตามไปเพราะวิตกมันก็จะไปคิดถึงเอานะมีใครคิดพ้นอารมณ์ห้านี้บ้างเออคิดอริยสัจทั้งมั้งที่จะพ้นบ้างนะปกตินะวนๆอยู่ไม่คิดถึงรูปก็คิดถึงเสียงเนี่ยไม่คิดถึงเสียงก็คิดถึงกลิ่นไม่คิดถึงกลิ่นก็คิดถึงรสไม่คิดถึงรสก็คิดถึงโภตาภาไอ้นะไอ้อวิตกมันก็เกิดอย่างนั้นอ่ะงั้นถ้าไม่รักษาใจเนี่ยนะ ธรรมะตัววิตกก็ไปไค้ครวนไปตรึกถึงสิ่งต่างๆมันก็วันๆนหนึ่งก็คิดถึงแต่อารมณ์ห้านี่แหละทีนี้ว่าให้เต็มรวมสรุปยอดมาว่านะสิ่งที่คิดทั้งหมดก็คือคิดถึงร่างกายอนะของสิ่งที่เรียกว่าคนว่าสัตว์นั่นนะท่านก็เลยประกาศว่าไอ้สิ่งที่คิดถึงโดยมากเป็นยังไง ที่ไปคิดถึงร่างกายเนี่ยจริงๆแล้วร่างกายเนี่ยโลกของร่างกายจริงๆเป็นยังไงท่า น, นก็บอกว่าร่างกายนี้เต็มไปด้วยหนองเลือดและซากศพเป็นอันมากเป็นดุษสมุมกอันนายช่างผู้ฉลาดเนี่ยทำไว้เป็นของเกลี้ยกล่ำ ว, วิจิตงดงามางนะคือภายนอกเนี่ยงดงามอะแต่ว่าเรียกว่าห้ามเจาะลึกกันนะบางอย่างให้ดูแต่ผิวใช่ไหย อย่างโงศพนี่เขาเขาตั้งโชว์นะประดับประดาตกแต่งอย่างงดงามเนี่ยเขาเขาอยากให้แขกไปถึงไปเปิดดูเลยใช่ไหมไม่เขาอยากให้ดูแค่ข้างนอกเขาบอกว่าห้ามคิดลึกไปกว่า น, นั้นหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าคนพาลก็ย่อมไม่รู้สึกว่าร่างกายเนี่ยเป็นของเผ็ดร้อนมีรสหวานชื่นใจผูกพันด้วยความรักจริงๆแล้วมันเป็นทุกข์ใช่ไหม ชาบไลไว้ด้วยสิ่งที่น่าชื่นใจเหมือนมีดโกนอันทาด้วยน้ําพึ่งฉะนั้นไอ้คำว่าร่างกายในทีนี้อย่าคิดว่าแหมติดในร่างกายคนอื่นนะจริงไอ้ร่างกายตัวเองนั่นแหละที่ที่มันติดแต่นะติดคนอื่นก็ติดเหมือนกันแต่ว่าไม่มากเท่ากับติดภายในเนี่ยนะเพราะนั้นไอ้ภายในเนี่ยมันเหมือนกับมีดโกนอาบน้ําพึ่งจริงๆอ่ะนะตอนตอนที่มันดีก็มันดีจริงๆอ่ะแตอีกพักหนึ่งนะเหมือนมันเหมือนกับแข็งแรงไว้ตอนมันป่วยเอาล่ะกันนี้ จับตรงโน่นก็ปวดจับตรงนี้ก็ปวดจับตรงนั่นก็คันจับตรงนี้ก็ร้อนเนี่ยนะมันก็เดือดร้อนไปทุกขนทุกแห่งหมดเลยในร่างกายนะนะหาพอจะชมสักแห่งหนึ่งก็ยากเต็มทีนะแต่ถ้าว่าโดยทั่วไปนะปกติแล้วผู้ชายก็กำหนัดในผู้หญิงผู้หญิงก็กำหนัดในผู้ชายทั้นท่านก็เลยสอนพระว่า บุคคลผู้กำหนัดยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสและโพธาภาของหญิงย่อมประสบทุกข์มีประการต่างๆ่ า, ากระแสตันหาในหญิงทั้งปวงย่อมไหลไปในทวาวรทั้งห้าของบุรุษก็ทั้งกระแสรูปก็ไหลไปในทวาวรตากระแสเสียงก็ไหลไปในทวาวรหูเป็นต้นนั่นเองผู้ใดมีความสามารถเพื่อป้องกันกระแสเหล่านั้นได้ผู้นั้นเป็นผู้ตั้งอยู่ในอัตตั้งอยู่ในธรรมเป็นผู้ขยัน มีปัญญาเครื่องพิจารณานีนะก็ถ้าใครห้ามกระแสะเหล่านี้ได้ไม่ให้กระแสะตันหาไหลไปในนะกระแสะตันหาไหลทวารตาเรียกว่ารูปปัตนหากระแสะตันหาที่ไหลไปทวารหูเรียกว่าสาธาตันหาถ้าห้ามไม่ให้กระแสะตันหาเหล่านี้เกิดขึ้นได้ก็ตั้งอยู่ในอัดและตั้งอยู่ในธรรมนีนะนะตั้งอยู่ในอัดนะตั้งอยู่ในในธรรม ันคำว่าอัดกับคำว่าทรรมนี่กว้างอัเนี่ก็คำ ว, ว่าอัดนี่หมายถึงเนื้อความไอ้คำ ว, ว่าเนื้อความหรือบางทีก็หมายถึงประโยชน์ด้วยนั่นแหละถ้ากล่าวตามอัทถปฏิสัมพิทาก็หมายถึงพวกศีลทั้งหลายปัจจยบันนะก็เรียกว่าอัทถะแต่อัทธาในที่นี้เน้นถึงคุณธรรมหรือกุศลธรรมทั้งหลายนั่นเองนะ เ, เรียกว่าอัท มันผู้ที่เจริญอย่างนี้ได้ก็ต้องขยันและมีปัญญาเครื่องพิจารณาเนี่ยนะอันความประเสริฐจริงๆก็อยู่ที่ปัญญาถ้าไม่มีปัญญาพิจารณาจริงๆก็ยากที่จะจะห้ามยากที่จะกั้นไม่ให้อกุศลมันเกิดได้นนะีที่กล่าวไปเ น, เน้นสอนพระพิสูจน์ที่นี้ท่าสอนผู้ครองเรือนบ้างบอกว่าแม้จะยังยินดีในการครองเรือนก็พึงทํากิจอันประกอบด้วยอัดและทำถ้าประโยชน์ปัจจุบันที่ประกอบแล้วทําให้จมลง ก็พึงเว้นกิจอันไรประโยชน์นั้นเสีย น, นะอะไรที่ทําแล้วมันจะจมลงอ่ะ น, นะจมในที่นี้ก็หมายถึงอะไรที่เป็นเหตุให้จมในอบายอ่ะ น, นะอันนั้นก็เว้นซะอย่าไปทํามันเมื่อรู้ว่าสิ่งนั้นไม่ควรทําพึงเป็นผู้ไม่ประมาทมีปัญญาสอดส่องในเครื่องนั้นบุคคลพึงยึดเอาแต่กิจที่ประกอบด้วยประโยชน์คือประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งใช่ไหมอย่าลืมกิจเหล่านั้นล่ะ และความยินดีอันประกอบด้วยธรรมแล้วพึงประพฤติเพราะว่าความยินดีในธรรมนั่นแลเป็นความยินดีสูงสุดยินดีในธรรมอันนี้คือยินดีในอะไรอ่ะยินดีในธรรมนะธรรมโมหเวรักคติธรรมจารียทธรรมที่จะต้องหมายถึงธรรมที่จะรักษาผู้ปฏิบัติให้พ้นจากสิ่งที่ไม่ดีนะนั้นยินดีในธรรมะนั้นประเสริฐสุดหมายถึงยินดีในสมถะและวิปเสนาน่ ตรงนี้นะเน้นที่ความยินดีในธรรมคือยินดีในสมถะและวิปัสสนานั่นแหละเป็นความยินดีที่สูงสุดแต่ก็เออนะถ้ามาฝึกคิดดูจริงๆนะในการเห็นการได้ยินเนี่ยที่จะยินดีในสมถะวิปัสสนาพิจารณาในการเห็นการได้ยินนะยากนะที่บุคคลจะยินดีแบบนี้ยินดีในการเจริญสมถะวิปัสสนาเมื่อเห็นเมื่อได้ยินเนี่ยนะ อัตถกถาที่บายว่าความความยินดีอันประกอบด้วยกุศลอันยิ่งคือประกอบด้วยวิปัสสมถทาและวิปัสนาพึงยึดถือเอาให้ดีคือการทำยึดถือสิ่งที่ประกอบด้วยประโยชน์และความยินดีอันประกอบด้วยธรรมนั้นแล้วประพฤติ <c oughs> เพราะพระบาลีว่าความยินดีในธรรมย่อมชนะความยินดีทั้งปวงความยินดีนั้นชื่อว่าความยินดีสูงสุดเพราะให้บรรลุ ป, ประโยชน์สูงสุดโดยส่วนเดียว ปกติแล้วประโยชน์มีประโยชน์ปัจจุบันนะประโยชน์ประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าและประโยชน์อย่างยิ่งทีนี้การที่จะได้ประโยชน์อย่างยิ่งต้องยินดีในธรรมคือสมถะและวิปัสนาเพราะสมถะวิปัสนานี้ทําให้บรรลุถึงประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานนะก็ให้ยินดีในอัตในธรรมไว้นะยินดีในสมถะวิปัสนาเพราะความยินดีในสมถะวิปัสนาเนี่เป็นความยินดีที่สูงสุด ถ้าผู้ใดปรารถนาจะชิงเอาสิ่งของของผู้อื่นด้วยอุบายใหญ่น้อยฆ่าผู้อื่นเบียดเบียนผู้อื่นทำผู้อื่นให้เศร้าโศกฉกชิงเอาสิ่งของคนอื่นด้วยความทารุณร้ายกาดการกระทำของผู้นั้นเป็นการกระทำอันประกอบด้วยความชิบหายนนะก็ปานาธิบาตอธินาานาธาเนยนำมาซึ่งความชิบหายทั้งโลกนี้ด้วยทั้งโลกหน้าด้วยนะ บุคคลผู้มีกําลังเมื่อผ่าไม้ย่อมตอกลิ่มด้วยลิ่มฉันใดภิกษุผู้ฉลาดย่อมกําจัดอินทรีย์ด้วยอินทรีย์ฉันนั้นนะนะกจัดอินทรีย์ด้วยอินทรีย์ต้องการทําลายตาหูจมูกลิ้นกายใจว่างั้นเนี่ยอันนี้เป็นอินทรีย์ภายในที่ต้องทําลายเพราะอะไรถามว่ายังอยากอนุรักษ์ตาไว้ไหมเพื่อจะเห็นเนี่ยความวิบัติทั้งหลายในโลกนี้นะ อนุรษ์หูเพื่อจะฟังสิ่งเลวร้ายในโลกนี้มีจมูกเพื่อจะดมสิ่งที่ไม่ดีในโลกนี้ต้องการลิ้นเพื่อที่จะได้กินใบไม้กินอะไรก็แล้วแต่ที่มันต้องอาหารนี่มันรูปแผ่นลิ้นเนี่ยนะหรือต้องการลิ้นมาชิมเนี่ยปัทวีทาธาตุในโลกนี้หรือว่าต้องการกายมารับกระทบโพธพะหรือต้องการใจมารับรู้ปัญหาทุกอย่างในโลกนี้ไหมยัยงยินดีอันนั้นไหมถ้ายินดีนี่ก็ไม่ใช่แล้วใช่ไหมในที่นี้นะ มันก็แสดงว่าไอ้ตัววิบัตรเร็วซามมากก็คือเนี่ยธรรมะนี่ว่าไปว่ามาเนี่ยนะทีแรกก็ศึกษาแรกๆนะไอ้คนที่คนเร็วอะ่ะว่างั้นเถอะคนทำชั่วมันเร็วเนี่ยหนักๆเข้าเนี่ยตาเราก็เร็วเหมือนกันเนี่ยเนี่ยนะถ้าไม่มีตาไม่งมรับรู้ปัญหาเห็นเเดือดร้อนเนี่ยไม่ต้องหรอกถ้าไม่มีหูเนี่ยไม่ต้องว่าฟังไอ้เรื่องที่ไม่สมควรฟังทั้งหลายเนี่ย เขาบอกบางคนก็บอกเอา้ามีตามีหูแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ดีแล้วที่ได้ฟังธรรมเนี่ยที่จะได้มาฟังธรรมอ่ะนะมันดีแล้วเพราะฉะนั้นหูนี่ดีตานี่ดีก็เหมือนกับคนพูดว่าเออเนี่ยนะดีนะที่เราเป็นโรคมะเร็งเพราะแบบทำไม่เป็นโรคมะเร็งเราก็ไม่ต้องกินยาว่ามันก็พอๆกันนั่นแหละนะได้ไหมเนี่ยเราได้กินยาหวานๆนี่ก็เพราะเป็นโรคนี่แหละถ้าไม่ได้เป็นโรคนะอดเลยยาหวานๆอันนี้เข้า จริงๆแล้วนะคือคำสอนเหล่านี้เป็นคําสอนเพื่อให้พ้นอินทรีย์ทั้งมวลเหล่านี้เพราะถ้ายินดีในอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนะก็ก็จมอยู่ในกองทุกข์นนะจริงๆอทวนอีกครั้งนึงว่านรกก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนะที่เรียกว่านรกกันนะเปรตก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเอาเดรัจฉานก็คืออะไรก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจมนุษย์เนี่ยก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจเทวดาล่ะ กตาหูจมูกลิ้นกายใจพรหมพรมูรมรการนั้นพรหมนี่มีอะไรบ้างตาหูใจเนะ <c oughs> นี่ยบอกตาหูจมูกอะนีเนี่ยตาหูใจนะพรหมเนี่ยตาหูใจอรูปปรพรหมมีใจอย่างเดียวแต่อย่าลืมว่าสิ่งเหล่านี้มันมันก็เว้นแค่ระยะเดียวนะเป็นพรหมเนี่ยไม่มีจมูกลิ้นกายแต่ว่าหมดอายุจากพรหมอีกก็มาหาจมูกใหม่ นะมาเอาจมูกมาเอาลิ้นมาเอากายใหม่เนี่ยนะเพราะว่าพรมทั่วๆไปก็ยังไม่ได้รัโดยสมุทเชทประหารเนี่ยนะขณะนั้นไม่มีจมูกลิ้นกายก็จริงแต่ว่าเชื้อที่จะให้มีจมูกมีลิ้นมีกายนี่ยังมีอยู่เียนะก็สรุปนะวัตตะในภูมิสามคือตาหูจมูกลิ้นกายใจวัตตะในภูมิสามนะก็มีพิเศษมัางอสัญญาศัพท์เนี่ยที่มันไม่มี ตาหูจมูกลิ้นกายใจเลยมีอยู่พบเดียวที่ที่เรียกว่าเป็นพบนะแล้วไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจเลยคืออสัญญาสัตว์แต่ก็นับเนื่องว่าเป็นสัตว์อีกเหมือนกันเพราะว่าเขามีแค่อวินิโพคารูแปดและชีวิตตินซีเขามีอยู่เท่านั้นนะ่ะรูปเขาเนี่ย น, นะสันโดษมากแต่ว่าห้าร้อยมหากรัปย์เองนะผลจากนั้นก็มามาเป็ น, นอีกคือมันเหมือนกับคนหลับสนิทนะหลับสนิทจริงๆสักปีหนึ่งเนี่ยถามว่ิยะ เร็วเร็วหรือช้าจริงๆนะคนหลับเองนะความรู้สึกของคนหลับนะนึกว่าช้าเลยนึกว่าเร็วหรือช้าดีน่าจะเร็วอาสัญญัติมันไม่ได้รับรู้ความรู้สึกนึกคิดอะไรนะเพราะฉะนั้นเป็นอสัญญัติห้าร้อยปีห้าร้อยมหากรัมมันก็เหมือนกับแป๊บเดียวอ่ะในความในถ้าเทียบแต่โดยทั่วไปนะแต่ว่าพวกในสายตาของคนนอกอาจจะว่าสมมติว่าเราหลับสนิทนะยี่บชั่วโมงหลับสนิทสามวันเลยนีย คนข้างนอกนะที่เข้าไปมาไปมานี่ทําไมมันนอนนานจังอ่ะนะแต่คนหลับสนิทตื่นขึ้นมาเหมือนกับแป๊บเดียวอ่ะนะทําไมเร็วจังอ่ะนะคืนไหนหลับสนิทตื่นขึ้นมาสว่างไอ้ทําไมเหมือนกับสว่างเร็วมากเลยนะแต่ถ้านอนหลับห ล, ลับตื่นตื่นตื่นตื่นหลับหลับทําไมคืนนี้มันยาวเลอเกินอย่างเงี้ยนะมลักษณะนั้นพัญญาอสัญญาศาสตร์จริงๆแล้ว500ห้าร้อยม้ากลับก็ไม่นานอะไรเนี่ยนะถ้าเทียบกับ ว, วัฏตอันไม่มีเบื้องต้นและที่สุดเนี่ยนะว่าแป๊บเดียวไม่นานเนี่ยนะ มันก็สรุปแล้วเห็นโทษของตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่การที่จะเห็นโทษของตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยที่เป็นอินทรีย์นะพวกนี้ก็เป็นใหญ่เพราะฉะนั้นต้องเอาสิ่งใหญ่ๆมากำจัดสิ่งใหญ่ๆเหมือนกันต้องเอาของใหญ่นะจึงมากำจัดของใหญ่ได้สิ่งใหญ่ๆที่มากำจัดของใหญ่ๆแบบนี้ก็ต้องเป็นศรัทธาที่ใหญ่วิริยะที่ใหญ่เนี่ยนะสติที่ใหญ่สมาธิที่ใหญ่และปัญญาที่ใหญ่กำจัดอินทรีย์หด้วยอินทรีย์ห้าเนี่ยนะ ทำทำไมไม่ยกใจขึ้นมาด้วยอเพราะว่าใจนี้ก็อินรีย์ห้าก็เกิดร่วมกับใจอยู่แล้วนะนี่ว่าง่ายๆเลยก็คือเนี่ยเห็นยังไงจึงจะมีศรัทธาเจริญศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยนะได้ยินแล้วเจริญศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเพื่อจะไม่ให้มันมีหัวเเห็นยังไงเจริญศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาไม่ให้มีตาตานี้ในคําสอนไม่มีทําให้ตาเนี้บอดนะ เทียงแต่ว่าไม่ให้ตาที่มันจะเกิดใหม่ในครันแม่ไม่ให้มันมีแต่ว่าไม่ใช่ไม่มีตาอย่างเงี้ยนะต้องหูจมูกลิ้นกายใจยด้วยนะถ้ายังปฏิสนธิอีกก็แยกนะปฏิสนธิแล้วไม่มีตานี่เดือดร้อนอีกนะแต่หมายถึงว่าไม่มีตาในภพทั้งปวงเนี่ยนะไ ม, ไม่ไม่มีการปฏิสนธิอีกเนี่ยนะทายังไงล่ะทํายังไงจะหมดหูทํายังไงจะหมดจมูกหมดลิ้นหมดกายสักทีนึงนะจะต้องไม่ปฏิสนธินะณนะตาแหน่ ง, งต่างๆสถานที่ต่างๆนเเออทบทวนนะศรัทธา ศรัทธาที่มอบโขน้อมใจเชื่อศรัทธาเนี่ยคือการน้อมใจเชื่อนะถามเชื่ออะไรอ่นนะนะถ้าตั้งคำถามเอาสัทธาคือการน้อมใจเชื่อสมมุติว่าจะเจริญเนี่ยฉันเชื่อแล้วจะว่าตาที่มันทุกจริงจะเจริญเนี่ยให้มันพ้นจากตาเชื่อว่ายังไงอย่างน้อยที่สุดนะลืมตานี้เห็นคุณพระพุทธเจ้าก่อนไม่อันดับแรกะ่ะพอที่จะเจริญสัตธินีได้เนี่ยมองเห็นอย่างเนี้ย เห็นคุณของคําสอนไมเลื่อลึกถึงคําสอนอะไรได้บ้างอ่ะนะพอที่จะให้เห็นสัตทินรียหรือเห็นความปฏิบัติดีอะไรบ้างไหมเมื่อเห็นอันนี้เป็นการฝึกเจริญสัตทินรียก่อนเป็นเบื้องต้นทีนี้ถ้าวิริยินทรีอ่ะถ้าเห็นแล้วจิตเป็นบาปก็มุ่งกําจัดไม่ให้บาปมันเกิดขึ้นเห็นแล้วเป็นบุญก็พ่อภูนให้บุญเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะเพราะวิริยะเนี่ยปักขหัตโถนี่นะก็คือเพียรให้มาก ส่วนสติล่ะสติก็เ ล, ลึกถึงกายานุปัสนาได้ไหมเ ล, ลือกถึงเวทานานุปัสนาเลือกถึงจิตานุปัสนาเลือกถึงธรรมานุปัสนาได้ไหมอันนั้นแบบเจริญสตินนนัน้สมาธินีก็อวิเเค ป, ปะเนี่ยนะคือไม่ฟุ้งซ่า น, น, น, นก็คือสงบกับการเจริญในสิ่งเหล่านั้นนั่นแหละส่วนปัญญาก็พิจารณาให้รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจให้ได้ ถ้าไม่รู้แจ้งแทงตลอดยกตัวอย่างนะเช่นรูปรูปสมูทายรูปนิโรธรูปนิโรธคำไมินีปฏิปทานะถ้าไม่แทงตลอดขนาดนี้แล้วก็ยังไงก็ต้องมีตาอีกอยู่ดีนั่นนถ้าไม่แทงตลอดสัทธะสัทธสมูทายสัทธานิโรธสัทธานิโรธคำม่มีปฏิปทายังไงก็ต้องมีมีหูอีกอยู่ดีนั่นแหละ แต่ถ้าย้อนเข้ามาใกล้อีกก็ถ้าไม่แทงตลอดตรงๆเลยคือสัทธะคือหูอ่ะนะโสตโสตสมุทัยโสตนิโรธโสตนิโร ธ, โโรธาคามินีปฏิปทาถ้าไม่แทงตลอดอย่างนี้ก็ยังไงก็ต้องมีหูอัอนะนั้นพูดภิกษุผู้ฉลาดเขาก็ใช้อินทรีห้าอันนี้แหละมากำจัดอินทรีห้าเหล่านี้ขึ้นนะั่นก็หมั่นมาฝึกเจริญอินทรีห้าในทวารห้าให้ได้ หรือฝึกเจริญอินทรี่ห้าในทาวารหกให้เป็นส่วนรายละเอียดถ้าจะกล่าวพิสดารอีกครั้งก็เป็นในพ่อชงบัพพาเนี่ยนียนี่ก็คําว่าเสิร์ฟาไว้เป็นเข้าๆก่อนว่าเจริญอินทรี่ห้าในทาวารหกว่า ง, งั้นแต่อันเนี้คือรายละเอียดที่ต้องต้องไปทําความเข้าใจกันอย่างมากอีกเลย <c oughs> คือที่ผ่านมาเราเรียกว่าศึกษาเรื่องกิเลสในทาวารหนะไหยตนาบัพพาเนะี พอพ่อชงบับพะก็คือศึกษากุศลธรรมในทวารหเจริญกุศลธรรมในทวาร6ให้ได้นนั้นผู้ที่เจริญอย่างนี้ได้นะผู้นั้นก็เป็นพรามคือเป็นพรามก็คือเป็นคนลอยบาปได้นะลอยบาปในทวารหกได้ น, นั่นเองก็เป็นผู้ที่ไม่มีวะไม่มีทุกไม่มีทุกเพราะกิเลสด้วยไม่มีทุกเพราะวิบากที่จะปฏิสนธิในภพต่อไปด้วยเนี่ยนะก็เลยเรียกว่าเป็นพรามไม่มีทุกเที่ยวไป บุคคลนั้นเป็นผู้รู้อาจตั้งอยู่ในธรรมทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าโดยประการทั้งปวงย่อมได้รับความสุขนะ้นผู้ที่สามารถเจริญอินทรีย์ห้าแล้วมากำจัดอินทรีย์ห้าคนนั้นแหละชื่อว่าปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเนะ ในอัตคถานทีบายว่าช่างถากไม้ผู้มีกําลังเป็นผู้ประกอบด้วยกําลังกายและกําลังความรู้ประสงค์จะเอาลิ่มที่ติดอยู่ในท่อนไม้เนี่ยนะออกจึงตอกลิ่มที่แข็งกว่าลิ่มนั้นจึงนําออกจากท่อนไม้นั้นได้ฉันใดภิกษุผู้ฉลาดก็ฉะนั้นประสงค์จะสกัดอินทรีย์มีจักษุเป็นต้นด้วยกําลังแห่งวิปัสสนาก็ย่อมสกัดด้วยอินทรีย์นั้นนั่นเองนะต้องศรัทธาเป็นต้นนั่นเอง เพื่อจะเรียงเรื่องคาถามว่าสกัดด้วยอินทรีย์เหล่าไหนเจึงกล่าวว่าสัทธังคืออินทรีย์คือศรัทธาดังนี้อธิบายว่าภิกษุอบรมคือเจริญอินทรีย์ห้าเป็นเครื่องบ่มวิมุตติอย่างนี้คือศรัทธาที่โมโหคือน้อมใจเชื่อนี่นะวิริยะประคองไว้สติลักษณะอุ ป, ปัฏฐานะนนะเนี่ยนะขานแปลว่าปรากฏหรือการเข้าไปตั้งไว้ น, นั่นเอง สมาธิมีการไม่ฟุ้งซ่านปัญญานี่มีหลักการเห็นเั็นการเจริญอินทรีย์ทั้งห้านั่นแหละเพื่อกำจัดจักสุเป็นต้นศรัทธานี้เห็นได้ในที่ไหนโสตาปฏิยังฆธรรมสี่วิริยะเห็นที่สัมมปทานสสติก็เห็นที่สติปทานสสมาธิก็เห็นที่ฌาน4เนี่ยนะปัญญาก็เห็นที่อริยสัจสี่ันทา จเจริญอินทรีย์ได้อย่างนี้ก็สามารถที่จะกําจัดอินทรีย์คือตาหูจมกูกลิ้นกายใจยได้ด้วยว่าอินทรีย์ห้าเหล่านี้โดยกําจัดความเป็นทวารแห่งกิเลสคือทวารแห่งการเกิดกิเลสมีความยินดีและความขัดเคืองเป็นต้นคือถ้าจเจริญสัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาในขณะเห็นได้คําว่าขณะเห็นก็คือก็ ช่วงเห็นอะนะไม่ใช่วัยขณะจากครูวิญญาณแต่หมายว่าในช่วงเห็นถ้าเจริญศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาได้อภิชากะระทมานัทก็ไม่เกิดได้ยินเสียงเนีเสียงที่ได้ยินเนี่ยสามารถเอาเสียงอันนั้นอนะเป็นที่ตั้งแห่งการเจริญศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาได้ก็พ้นทุกข์ได้อีกเหมือนกันนะแล้วตักได้เด็ดขาดซึ่งกิเลสทั้งหลายอันเป็นที่อาศัยแห่งอินทรีย์อันนั้นด้วยอริยมรรค แต่นั่นและเป็นพรามผู้ไม่มีทุกข์คือหมดทุกข์เข้าถึงอนุปาทิเสสะปรินิพานปรินิพานทีเดียวหมายถึงว่าทิ้งจากขุนรีอันนี้ก็ไม่ถือเอาจากขุนรีอันใหม่นะปรินิอนุปา อ, อนุปาิเสสะปรินิพานหมายถึงการที่ทิ้งอินรีย์5คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะแล้วไม่เอาอินรีอันใหม่อีกเลยอันนั้นก็เรียกว่าอนุปาถาปรินิพานหรืออนุปาทิเสสปริิพาน หมดว่าโซอัตถวาความว่าบุคคลนั้นเป็นพราหมณ์ตามที่กล่าวแล้วชื่อว่าเป็นผู้รู้อัดเพราะประกอบด้วยอัดอันสูงสุดอัตคือประโยชน์สูงสุดหมายถึงพระนิพารามเนี่ยนะชื่อว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมเพราะเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมอันยังอัดนั้นให้ถึงพร้อมกระทําตามอนุสาสนีอันเป็นพระดํารัตคือปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าคือของพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยประการทั้งปวงคืออย่างสิ้นเชิง ทุกวิธีเนี่ยนะหรือว่าทุกวิธีเนี่ยดำรงอยู่คือหมายความว่าคําสอ น, นจะแสดงในแง่ไหนก็จเจริญได้หมดถ้าเข้าใจอย่างที่กล่าวไปแล้วนะจะเห็นชัดในอริยสัจทั้ง4ี่เลยใช่ไหมทุกขสัจคืออินทรีย์ที่เป็นภายในหหรือ 6, อินอรยตันอินทรีย์ภายใน6กันะตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนั้นเป็นทุกขาริยสัจใช่ไหมทีนี้ถ้าอินทรีย์เหล่านั้นผู้ใดไม่ปิดเลยอ่ะนะเป็นทวารแห่งสมุทัยสัจ ทีนี้กําจัดอินทรีย์เหล่านี้ด้วยศรัทธาเป็นต้นอันนั้นเป็นมัคคสัตนนะเป็นมัคคสัตมันก็คําว่าตาเนี่ยนะเป็นทวารที่มาแห่งอภิชากาโทมนัตถ้ายังปล่อยให้อภิชากาโทมนัตเกิดในทวารเหล่านี้ก็นํามาซึ่งตาอันอนาคตต่อไปใช่ไหมทีนี้ก็ถ้าประหารกิเลสในอินทรีย์ทั้งห้าด้วยการเจริญอินทรีย์ทั้งห้าอย่างที่กล่าวไปก็ไม่ ไม่เป็นปัจจัยให้มีอินรีห้าอีกต่อไปเนี่ยนะนก็คงจะชัดในบทว่าจาคัคขุจคัคขุสมุทัยจักคุนิโรจคัคขุนิโรถ้าคำมีนิปฏิปทากันยิ่งขึ้นแต่ก็ไม่ใช่ง่ายนะที่ว่าไม่ง่ายนี่เพราะอะไรเพราะว่าพอเห็นปั๊บมันลืมคำสอนหมดแล้วเนี่ยนะไปเรื่องอื่นหมดนะตอนฟังนี่ก็โออเอ็ก็ใช้ได้ดีดี เดี๋ยวพอไปแล้วก็พอพอหมดธรรมะอันนั้นตั้บเอาอีกล้โรคกำเริบโรคก็กำเริบใหม่เนี่ยนะเขาเรียกว่าเข้าสู่ภาวะปกติหมดโรคกำเริบใหม่ที่จริงเนี่ยเรื่องทั้งหมดเนี่ยนะครเป็นเรื่องที่เป็นความพิสดารของคําสอนที่ยักย้ายถ่ายเทชี้ให้เห็นการปฏิบัติทำการเจริญทำคือธรรมถาริปัสสนานี่ย นี่นี่ก็เป็นอีกอีกแง่อีกมุมหนึ่งที่ถึง ท, ท, ทรงแสดงเนี่ย จ, จริงๆก็เรื่องเก่านะแต่ว่าวางเรื่องนี้ก็พิสดารหน้าฟังไปอีกแบบห น, นึ่งนะล้วพระองค์นี่เก่งจริงๆคือเรียกว่ามอง อ, อชีวิตรอบด้านนะเนี่แยแง่มุมไหนที่จะทําให้พ้นทุกข์ได้พระองค์เอามาแสดงมาแต่นั่นนะแล้วพระเ อ, อที่เห็นชัดนะว่าในบรรดาผ้าหันในเทรัชคาถาเนี่ยนะสองร้อยกว่ารูปะนะ มีองค์ไหนพูดเหมือนกันบ้างไมหมไม่มีเหมือนอันนั้นคือประกาศถึงความหลากหลายของอัธยาศัยเนี่ยนมีส่วนคล้ายกันอยู่บ้างแต่ไม่เหมือนกันทุกพยัญชนะเนี่ยนจะไม่เหมือนกันทั้งหมดเลยนะประกาศถึงความแตกต่างหรือความหลากหลายของอัธยาศัยแห่งสัตว์เนี่ยนพระผู้เทอเจ้าเป็นผู้ที่สามารถรับรู้ยักย้ายตามอัธยาศัยของสัตว์เหล่านั้นนนั้นได้หมดเลยอะ่ะอันเนี่ยท่าน ขอให้ถูกสักอย่างหนึ่งเถอะับ อ, อัธยาสายของตัวเองเนี่ยก็เป็นอันว่าก็ไม่ธรรมะไม่ไม่ไม่อะไรไม่กว้างขวางจนเรียกว่าโอ้โท้อใจนะ<ม>ถ้าเข้าใจอันนี้ได้นี่ก็ตัวรอดละผมเชื่ออย่างนั้นเลยนะแล้วอุปมาอุปไมคก็เพราะเหลือเกินมองเห็นชัดเจนมากนะออินซีห้ากำจัดอินซีห้ายังไงมันยังยกลิ่ม ไ, ม, ไม่ดูอเองว่าอ า, าจาราจารย์นะ เอาลิมลิมเล็กเอาลิ่มใหญ่ใส่เข้าไปลิ่มเล็กก็ตอกไปก็ลิ่มเล็กเข้ามันชัดเจนมากแล้วก็ผูการแจ้คําว่าหาอัธยาศัยของตัวเองให้พบนะอัธยาศัยเนี่ยอัธยาศัยดีๆก่อนนะมีอยู่หกอย่างอันนั้นหนึ่งอโลพัธยาศัยเนี่ยนะอโลภาบวกอัธยาศัยสองอโทสัตทยาศัยสาม อโมหัทยาสัยหรืออาโมหะนั่นเองสีก็เนคขมัตทยาสายัยนนะัห้าวิเวกวิเวกัตทยาสายแล้วก็นิสรณะนิสรณะเนนะี่ยกล่าว่าผู้ที่จะบรรลุมรรคผลทั้งหมดเนี่ยจะต้องมีอัทยาสัยหกนี้อันนพระอริยทั้งหมดนะจะมีอัทยาสายหกเหมือนกัน แต่จะมีมากมีน้อยไม่รู้อ่ะอันนี้อัธยาศัยดีๆนะต้องมีอัธยาศัยอันนี้เมื่อมีอัธยาศัยอันนี้เพราะเห็นโทษของหกประการของโทษถูกเช่นเห็นโทษของโลภะนนถ้ามีอะโลภัตยาศัยก็คือเห็นโทษของโลภะอย่างผู้ที่เจริญสมถะทั้งหลายนะคือคนราคะเจริตมาเจริญสมถะใช่ไหมแสดงว่าเขามีราคะแต่เขาเห็นโทษในราคะอย่างเงี้นะเห็นโทษในโทสะ เห็นโทษในโมหะเห็นโทษในกามเห็นโทษในการคลุกคลีเห็นโทษในพพอันนี้ก็เป็นอัธยาศัยแั้นก็พระธรรมที่เราศึกษานี่ก็หาให้เรียกว่าศึกษาให้ได้ทั้งหอัธยาศัยนี้ให้ได้ถ้ามีอัธยาศัยแบบเนี้จึงเรียกว่าลักษณะของผู้มีบุญ เนี่ยนะผู้สั่งสมอัธยาสายหรือสะสมอุปนิสัยเอาไว้นี่ยนะ